ข้อที่34อัธกถาแห่งลัคนาสูตรนั้นว่าบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าณราคาราวาความว่าจากเรือนที่มุงบังด้วยไม้ออดทั้งหลายส่วนเครื่องประกอบที่เหลือทั้งหลายในเรือนนี้สำเร็จด้วยไม้จริงแม้ในเรือนย่าก็มีในนี้เหมือนกันบทว่ากูตาคารานี้ได้แก่ เรือนทั้งหลายที่สงเคราะห์ด้วยยอดบทว่าอุลิตตาวาลิตานี้ได้แก่ที่เขาฉาบทาทั้งภายในและภายนอกบทว่านิวาตานี้คือกันช่องลมเข้าได้บทว่าภูสีตักขลานี้ความว่าชื่อว่ามีบานประตูที่กรอบเช็ดหน้าอันสนิทดีเพราะเป็นของอันนายช่างทั้งหลายผู้ฉลาดทำไว้ บทว่าพิหิตะว่าตะปานานี้ได้แก่ที่ติดหน้าต่างไว้ด้วยสองบทนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ตรัสความที่บานประตูและหน้าต่างเป็นของอันบุคคลปิดไว้เป็นนิดวงได้เปิดแต่วงได้ปิดตรัสความสมบูรณ์วงได้เปิดแห่งเรือนวงได้ปิดเท่านั้นก็บานประตูและหน้าต่างเหล่านั้น อันบุคคลย่อมจะปิดและเปิดได้ทุกๆขณะที่ปรารถนาสองบทว่าภาลโตอุปชัชชนติได้แก่เกิดขึ้นเพราะอาศัยคนผ่านทางนั้นความสะดุ้งแห่งจิตชื่อว่าพยังอาการคือความที่จิตพลุกพล่านชื่อว่าอุปัทโวอาการคือความที่จิตขัดข้องคือ อาการคือความที่จิตติดขัดในอารมณ์นั้นๆชื่อว่าอุปสัโค